1 1บเถึงารูปะอนัพพิสมายาทิสุตตะปัญจกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตรมีรูปะอนัพพิสมายาสูตรเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าวัชชะเพราะความไม่รู้แจ้งในรูปละถึงเพราะความไม่รู้แจ้งในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูป ละถึงเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัชะเพราะความไม่รู้แจ้งในเวทนาละถึงเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัชะเพราะความไม่รู้แจ้งในสัญญาละถึงเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัชะเพราะความไม่รู้แจ้งในสังขารละถึงเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัชะ เพราะความไม่รู้แจ้งในวิญญาณและอื่นๆรูประอนะพิสมญาที่สุตตะปัญจกะที่11ถึง15จบ16ถึง20 รูปะอ น, นุโพธาธิสุตตะปัญจกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตรมีรูปะอ น, นุโพธาสูตรเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาวัตถีวัชโคตรปริภาชกนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยละถึง พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวัชชะเพราะความไม่รู้เท่าทันในรูปและถึงเพราะความไม่รู้เท่าทันในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูปและถึงเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีวัชชะเพราะความไม่รู้เท่าทันในเวทนาและถึงเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาววัตถีวัชชะเพราะความไม่รู้เท่าทันในสัญญาและถึง เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวะชะเพราะความไม่รู้เท่าทันในสังขารและถึงเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวะชะเพราะความไม่รู้เท่าทันในวิญญาณและถึงเพราะความไม่รู้เท่าทันในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งวิญญาณและอื่นๆรูปะอนนุโพธาธิสุตตะปัญจกะที่ 16- ถึงยี่สิบ 21-25 บรูปะอปฏิเวทาทิสุตตะปัญจกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตรมีรูปะอปฏิเวทสูตรเป็นต้น เรื่องเกิดขึ้นที่ครูงสาวัตถีวัชโคตรปริภาโชคทูลถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยละถึงพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวัชชะเพราะความไม่แทงตลอดในรูปละถึงเพราะความไม่แทงตลอดในวิญญาณและอื่นๆ รูประอปติเวทาที่สุตตะปัญจกะที่ 21-25 บถึงย่าจบ2 6ถึงาสรูประอสันลัคณาที่สุตตะปัญจกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตรมีรูประอสันลัคณะสูตรเป็นต้น เรื่องเกิดขึ้นที่ครูงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวัชชะเพราะความไม่กำหนดในรูปละถึงเพราะความไม่กำหนดในวิญญาณและอื่นๆรูปรอาอสันลักขณาที่สุตตะบัญจกะที่26ถึง30จบ 3 1ถึงรูปะอนุประคณาทิสุตตะปัญจกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตรมีรูปะอนุประคณะสูตรเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวชะเพราะความไม่เข้าไปกำหนดในรูปละถึงเพราะความไม่เข้าไปกำหนดในวิญญาณและอื่นๆ รูปะอนุปลัลกคณะทิสุตตะปัญจกะที่ส1อถึงสหจบ3 6ถึงสรูปะอปัจจุปะลักคณาีิสุตตะปัญจกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตรมี รูปะอป จ, จุปะลัคนะสูตรเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวัชชะเพราะความไม่เข้าไปกำหนดเฉพาะในรูปและถึงเพราะความไม่เข้าไปกำหนดเฉพาะในวิญญาณและอื่นๆรูปะอป จ, จุปะละัคนะทิสุตตะปัญจกะที่36 –ถึง40จบ 4 1ถึง 45, รูปะอสมะเปก น, นาธิสุตตะปัญจกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตรมีรูปะอสมะเปก น, นาสูตรเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวัชะเพราะความไม่เพ่งในรูปละถึงเพราะความไม่เพ่งในวิญญาณและอื่นๆ รูปะอาสมะเปคนาทิสุตตะปัญจกะที่41ถึง45จบ46ถึง50รูปะอปัจจุเปกนาทิสุตตะปัญจกะว่าด้วยพระสูตรหสูตร มีรูปะอัป จ, จุเปกขณะสูตรเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวัชชะเพราะความไม่เข้าไปเพ่งเฉพาะในรูปละถึงเพราะความไม่เข้าไปเพ่งเฉพาะในวิญญาณและอื่นๆรูปะอัป จ, จุเปกขณะทิสุตตะปัญจกะที่ 46-50 จบ 1้ถึง54รูปะอปจักกะกัมมาทิสุตตะจตุ ก, กะว่าด้วยพระสูตรสี่สูตรมีรูปะอปจักกะกัมมสูตรเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นวันจโคตรปริภาชกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้ว นั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทิฏฐิหลายอย่างเหล่านี้เกิดขึ้นในโลกว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงละถึงหรือหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวัชชะ เพราะความไม่เห็นประจักษ์ในรูปเพราะความไม่เห็นประจักษ์ในเหตุเกิดแห่งรูป in language, income, เพราะความไม่เห็นประจักษ์ในความดับแห่งรูปเพราะความไม่เห็นประจักษ์ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูปและถึงเรื่องเกิดขึ้นที่กรงสาววัตถีวชะเพราะความไม่เห็นประจักษ์ในเวทนาและถึงเพราะความไม่เห็นประจักษ์ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนา ละถึงเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีวัชชะเพราะความไม่เห็นประจักษ์ในสัญญาละถึงเพราะความไม่เห็นประจักษ์ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสัญญาละถึงเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัชะเพราะความไม่เห็นประจักษ์ในสังขารละถึงเพราะความไม่เห็นประจักษ์ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขาร และอื่นๆรูปะอปัจจก ะ, ะกรรมมทิสุตตะจตุกะที่51ถึง54จบห5วิญญาณะอปัจจะขะกรร ม, มสูตรว่าด้วย ความไม่เห็นประจักษ์ในวิญญาณเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าว่ชฯเพราะความไม่เห็นประจักษ์ในวิญญาณเพราะความไม่เห็นประจักษ์ในเหตุเกิดแห่งวิญญาณเพราะความไม่เห็นประจักษ์ในความดับแห่งวิญญาณเพราะความไม่เห็นประจักษ์ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งวิญญาณทิฏฐิหลายอย่างเหล่านี้จึงเกิดขึ้นในโลกว่า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 ด้วยการรวบรวมเข้าเป็นหมวดเดียวกันจึงมีพระสูตร55สูตรวชโคตสังยุจจบรวมพระสูตรที่มีในสังยุต t นี้คือ 1. รูปะอัญญสูตร สเวทนาัญญานสูตร 3. สัญญาอัญญานสูตร 4. สังขารอัญญานสูตร 5. วิญญาณัญญานสูตร 6- กถึงสิรูปะอัธสนาที่สุตตะปัญจกะ 11- บเถึงสิรูปะอนะพิสมะยาทีสุตตะปัญจกะ1 6บหถึงยีสิบ รูปะอาณ น, นุโพธาที่สุดตะปัญจกะ 21-25 รูปะอปติเวทาที่สุดตะปัญจกะ 26-30 รูปะอาสัลลนลักคณาที่สุดตะปัญจกะ 31-35 รูปะอนุปะละคณาที่สุดตะปัญจกะ 36-40 รูปะอป จ, จุปัลกคณาทิสุตตะปัญจกะ 41- 45รูปะอสมะเปกคณ า, าทิสุตตะปัญจกะ 46-50 รูปะอปัจจุเปกคณ า, าทิสุตตะปัญจกะ 51- 54รูปะอปัจักกะกรร ม, มาทิสุตตะจตุกะ55วิญญาณะ อปั จ, จักขะก ร, ร ม, มะสูตสิบสามชาณะสังยุตหนึ่งสมาธิมูลกะสมาปฏิสูตรว่าด้วยการเข้าสมาธิอันเป็นมูลเรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาวัตถี พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ได้ฌานสี่จำพวกนี้บุคคลผู้ได้ฌานสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ 2. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิ แต่ไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ 3. บุคคลผู้ได้ชาญบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ 4. บุคคลผู้ได้ชาญบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและฉลาดในการเข้าสมาธิในบุคคลสี่จำพวกนั้น บุคคลผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและฉลาดในการเข้าสมาธิเป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นประธานสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดภิกษุทั้งหลายนมสดจากแม่โคนมส้มจากนมสดเนยข้นจากนมส้มเนยใสจากเนยข้นยอดเนยใสจากเนยใส ยอดเนยใสชาวโลกถือว่าเป็นเลิศในบรรดานมสดเป็นต้นนั้นแม้ฉันใดบุคคลผู้ได้ชาญที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและฉลาดในการเข้าสมาธิก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นประธานสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดสมาธิมูลกะสมาปฏิสูตรที่หนึ่งจบ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 แต่ไม่ฉลาดในการตั้งอยู่ในสมาธิ 2. บุคคลผู้ได้ชานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการตั้งอยู่ในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ 3. บุคคลผู้ได้ชานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและไม่ฉลาดในการตั้งอยู่ในสมาธิ 4. บุคคลผู้ได้ชานบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและฉลาดในการตั้งอยู่ในสมาธิในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและฉลาดในการตั้งอยู่ในสมาธิเป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นประธานสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดภิกษุทั้งหลายนมสดจากแม่โคนมส้มจากนมสด เนยข้นจากนมส้มเนยใสจากเนยข้นยอดเนยใสจากเนยใสยอดเนยใสชาวโลกถือว่าเป็นเลิศในบรรดา น, นมสดเป็นต้นนั้นแม้ฉันใดบุคคลผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและฉลาดในการตั้งอยู่ในสมาธิก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นประธานสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุด สมาธิมูลกะทิติสูตรที่สองจบ 3. ส, สมาธิมูลกะวุ ธ, ธานสูตรว่าด้วยการออกจากสมาธิอันเป็นมูลเรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาวัตถี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 บุคคลผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและฉลาดในการออกจากสมาธิเป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นประธานสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดภิกษุทั้งหลายนมสดจากแม่โคนมส้มจากนมสดเนยข้นจากนมส้มเนยใสายจากเนยข้นยอดเนยใสายจากเนยใสยละถึงและยิ่งใหญ่ที่สุด สมาธิมูลกะวุฒานสูตรที่สจบสีสมาธิมูลกะกันลิตะสูตรว่าด้วยความพร้อมในสมาธิอันเป็นมูลเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี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 สมาธิมูลกะกันลิตะสูตรที่สจบ 5. สมาธิมูลกะอารัมมณสูตรว่าด้วยอารมณ์ในสมาธิอันเป็นมูลเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า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 3. บุคคลผู้ได้ชานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและไม่ฉลาดในอารมณ์ในสมาธิ 4. บุคคลผู้ได้ชานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและฉลาดในอารมณ์ในสมาธิในบุคคลสีจำพวกนั้นบุคคลผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและฉลาดในอารมณ์ในสมาธิ เป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นประธานสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดภิกษุทั้งหลายนมสดจากแม่โคละถึงและยิ่งใหญ่ที่สุดสมาธิมูลกะอารมณสูตรที่หจบ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 แต่ไม่ฉลาดในโคจรในสมาธิ 2. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในโคจรในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ 3. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและไม่ฉลาดในโคจรในสมาธิ 4. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและฉลาดในโครจรในสมาธิในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและฉลาดในโครจรในสมาธิเป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นประธานสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดภิกสุทั้งหลายนมสดจากแม่โคละถึงและยิ่งใหญ่ที่สุด สมาธิมูลกะโคจระสูตรที่หกจบเจ็ดสมาธิมูลกะอภิเนหารสูตรว่าด้วยอภินนหารในสมาธิอันเป็นมูลเรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาวัตถี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 แต่ไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ 3. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและไม่ฉลาดในอภินิหารในสมาธิ 4. บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและฉลาดในอภินิหารในสมาธิในบุคคลสี่จำพวกนั้น บุคคลผู้ได้ชานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและฉลาดในอภินิหารในสมาธิเป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นประธานสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดภิกษุทั้งหลายนมสดจากแม่โคละถึงและยิ่งใหญ่ที่สุดสมาธิมูลกะอภิณิหารสูตรที่เจ็ดจบ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 แต่ไม่ทำโดยเคารพในสมาธิ 2. บุคคลผู้ได่ชานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำโดยเคารพในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ 3. บุคคลผู้ได่ชาญบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและไม่ทำโดยเคารพในสมาธิ 4. บุคคลผู้ได่ชาญบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและทำโดยเคารพในสมาธิในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลผู้ได้ชาญที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและทำโดยเคารพในสมาธิเป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นประธานสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดภิกษุทั้งหลายนมสดจากแม่โคละถึงและยิ่งใหญ่ที่สุด สมาธิมูลกะสั ก, กจัจการีสูตรที่8จบ 9. สมาธิมูลกะสาตัจ ก, ก, การีสูตรว่าด้วยผู้ทำความเพียรต่อเนื่องในสมาธิอันเป็นมูล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 ในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและทำความเพียรต่อเนื่องในสมาธิเป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นประธานสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดภิกษุทั้งหลายนมสดจากแม่โคละถึงและยิ่งใหญ่ที่สุดสมาธิมูลกะสาตัจาการิสูที่9จบ